แต่ต่อไปนี้ก็ขอท่านทั้งหลายตั้งใจฟังคาแนะนําสักเล็กน้อยเว่าการเจริญพระธรรมทานข้ออนุญาตให้ทําได้เป็นสองแบบแบบปกติแก็แบบมโงมิตริแหีงเวลามาตรียาใสสาหรับแบบปกติไม่มีจะหาว่าท่านทั้งหลายเคยปฏิบัติมาจากที่ใด ในอเรมณ์เข้างแบบเป็นแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าวิธีปฏิบัติในด้านสมาธิภาวนามีตั้งสี่สิบแบบทำยังไงก็ไม่ผิดแต่ <c oughs> ขออย่างเดียวว่าเวลาที่ภาวนาและพิจารณาอยู่จงห้ามจิตแย่เราไปยุ่งกับนิวรณ์ห้ามแตกันที่ห น, น, นึ่งการมีฉันทะมีความพอใจในรูปสเสียงคราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสตลาวเทศ สองความโกรธตามเห็นบาดสามความวงหาองอกนนอนสี่ อ, ร อ, อารมณ์สงสัยทมพุกงเข้ารมพุ่เข้านำคานเสียงภายนอกแต่ว่าข้าอารมณ์สงสัยถ้าข้ายังนี่ยาจิตเขโยุกในเมื่อเราจะภาวนาและพิจรารณาก็ให้มาอยู่แพรภาวนาและพิจรารณาโดยเฉพาะที่ว่าในเวลานี้มันเป็นเวลาเล็กน้อย ถ้าเรายังยอมแพ้รมหายอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าตายี่ดีกว่าเราวันทั้งวันนี้เรายอมแพ้มันมาทั้งวันแื่เราอยากชนะมันสักเวลาสักครึ่งชั่วโมงทำไมจะชนะไม่ได้เลยถ้าทำเท่านี้ไม่ได้ก็จะคิดว่าเรามันเร็วเกินไปสาหรับการที่เกิดเป็นมนุษย์ต่อไปในภายหน้า แต้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เกิดสัมมลตอีกนานแสนนานตอนนีเพราะอะไรก็ริตเราชั่วแบบนั้นเราตายแล้วก็ต้องวางภัยภูมิในนรกเป็นต้นดนั้นบดาท่านพระเถรสาสนิการชนเวลาที่ให้คำภาวนาและพิจารณานี่ให้จิตมันอยู่แค่คำภาวนาและพิจารณาโดยเฉพาะเราจะไม่ยอมอนิจวนอามตะตายเข้ามายุ่งกับจิตเป็นอัาด แล้วถ้าอย่ามาตอเว่าจิตมันพุ่งซ่านคนไม่ไหวแต่ก็เชิญกลับบ้านได้ทันทีทำเอาอ่อนแอแบบนี้ที่นี่ไม่ต้องการาพุกงซ่านมันพุ่งซ่านได้เราก็ต้องแก้ทำบังคับให้มันไม่พุ่งซ่านได้ไม่ใช่อารมณ์พก่งซ่านมันจะเป็นนายเราเสมอไปไเคยได้ยินบ่อยๆคนประเทศนี้ไม่อยากจะยินแม้แต่ชื่อ เขาปล่อยขายความเข้มแข็งของจิตจะมาทำอะไรให้าศาสนาเขาเสียแล้วเริการในสองก่อนที่จะทําให้จิตมันได้ดีองสมเด็จะจินดารสีนนท์อัมพีโในอุทุมบิีพาโซให้แพทยม่ตาไปในทิศจะในจักรวาลทั้งกวงหมายความว่าเราคิดว่าเราจะเป็นมิตรดีของโพคนสัตว์โลก คนในสตทั myself, right. like ập, er er no ้งโลกทั I I so ้งหมดที่จะเป็นศัตรูสําหรับเราไม่มีสำหรับเขาจะคิดเป็นศัตรูกับเรานั่นมันเป็นเรื่องของเขาคือเราไม่ต้องการเป็นศัตรูกับใครแค่รู้ตัวอารมณ์ที่คิดเป็ศัตรูเพราะนั้นมันเป็นกิเลสจะมีความร้อนเราตั้งใจให้อะไรเราคนที่ทำความผิดกิที่จะมีความสุข โดยเฉพาะอย่างนี้ทายทีติวท่านหลายสั้งอยู่ในหลวงคงคงมีหานสี่ได้อย่างดีจิตใจสบายจิตใจวันโปรดโกรกถ้ามีเมตตาความรักปรนนาความสงสงารเห็นใครดีใอ ย, ยินดีอารมณ์วางเฉยเมื่อเรากระทบกระทั่งกับเสียงที่ไม่ขอบใจและอาการที่ไม่ชอบใจใจมันก็เป็นสุขใจก็จสบาย ถ้าอารมมานึกถึงกัาใครกทำให้เราไม่ชอบใจเมื่อไรเราแอบใคทันทีจิตเป็นศพถ้าทำได้อย่างนี้ชา้นเป็นของเล็กจะเป็นชายคนดีสิงคนดีประสญา ย, ายันคนดีเป็นของไม่ยากอารมอย่างนี้บรรดาท่านริธรัตรจะต้องมีทุกวันถ้าจิตใจของท่านทังหมดคุมอยู่ในความมีอานสรี่ได้ตลอดเวลา เมื่อการเจริญสมถะวันนาบุตราสนาโุญวาไม่มีอะไรยากปรอยชที่ตรงนี้ละเอียดกไม่ยากสิ่ที่มีหานสีจิตมีความมีหัสีอารมณ์เป็นสุขสิ่งก็มสุสมาธก็ทรงัวที่กนายาณก็แจ่มใสเมื่อแผ่เมตตาไปในทิศนันทวจักรวรแล้วจากนั้นไป ถ้าเราเจะเริยนกรรมฐานปกติถ้าคนที่ไม่เคยเจริญมาก่อนให้กำหดรู้ลมให้ใจเขาออกเวลาไหลใจเข้านึกออกพุทธเขาไหลใจออกสวดโผอย่างนี้ก็ได้ถ้าใจมันไม่ขอดใจแบบนี้เขาจะเป็ท่าที่เจริญนาเขาจะเปาขันท่าเพราะร่างกายของเรามันเป็นจังหาความเที่ยงไม่ได้เม่อเคลื่อนไปทุวันทุกครั้ง ม, otic, มันนี่มันเสื่อมมันก็มีแต่ความทุกความเป็นอยู่ของเราต้องระลืมพาเข้ามาขยลัดมันเป็นมไปความทุกข์เต็มไความเหน็ดเหนื่อยทรัพย์สินที่หามันได้เวทาตายแบกไว้ไม่ได้สักทีหนึ่งเห็นไหมว่าชีวิตทางกายนี่ไม่มีความดีไม่มีอะไรจะสาระกันชาง ถ้าเรายัโมโลงไหลไปฟานในร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นโดยท่าการตายเราก็มีฝันโง่ต้องเกิดใหม่เธอเป็นคนก็อย่างดีถ้ากิจเลวก็ไปเกิดเป็นสัตว์กก่อนกว่าจะมาเป็นคนใันก็ น, นานแสนนานเพราะฉะนั้นการมีอกเขาเกิดอวามคิดแต่มารทรงจัดสกานที่จะมาลักผลไม่อยู่ที่จตุียุ่สกายาทิทีถี ให้ที่เป็นนายท่อ่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราแล้วเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราคำอธิบายนี้เราอธิบายกันมามากแล้วใครใช้ปัญญาที่จะนักกันเองสำหรับท่านที่จะเจริญมโนวิธีอันดับแรกก็ให้ใช้เมตตาบารมีก่อนเป็นกันแห้เมตตาไปสัตวบาลทั้งตัวจิตมันจะได้เป็นสุข เมื่ออารมณ์เป็นสุขแล้วหลงจากนั้นเราให้พิจรารณาแตดขันห้าการิจะราแต่ขันห้าเราเ็านว่าโลกเป็นภพร่างกายเป็นทุการอยู่คนเดีย ว, วก็เป็นทพนี้คือสองกองคู่กับภพมากขึ้นธาตุิ้ ง, งญญทั้งหลายทั้งหมดไม่มีประจายใดทั้งสิ้นทั้งควง สมบัติข้อโลกทั้งหมดมันติเป็นปัจจัยความทุกข์ทางนั้ น, นแบบแลอยท า, า, ายแล้มาแบกระไรไปไม่ได้อยาะร่างกายก็ไปไม่ได้ธตุถึงก็ไปไม่ได้คนที่เรารักสิ่งเป็นปัจจัยความทุกข์เราก็แบกกันไปไม่ได้การทรงชีวิตนี้เต็มีความทุกข์มีการกระทุกกระทั่งทั้งวาจาทั้อาคารทางกายด้านหนึ่นงในร่างกายที่เระกอดอาชีพไม่มีอะไรจะดี หากจะเกือบตายจะเกิดกายเกือบแย่และที่สุดตายและอันแบบไปไม่ได้เราเห็นว่าร่างกายนี่ม่เป็นสาระไม่จเหตุศารก็ไม่ต้องการแต่เม่อเราแต่ม่อาต้องไม่ต้องการปวดมันก็ปวดพราไม่ต้องการให้มันตายมันก็จะตายแต่ร่างกายนีไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราวางภาระเกีับร่างกายเป็นเราเป็นคนเราเสีย ที่้วานักธนบัตรนี้เป็นคนไทยซึ้นที่ว่าการยึดฐันข้าเ่นร่างกายกายภายในตามาติปฐานากกระด้างกายพวกเราไม่มีดังเราจะเห็นว่าร่างกายของคนอื่นภายนอกจากตัวเราที่มีทีเก่คนที่มาเป็นคู่สองข้างตัวคืผมเนี่ยหันไม่มีสมรภูเราะในเมื่อร่างกายพวกเราไม่ดีร่างกายของข้าก็ไม่ดีามาทำไม ถ้าเราก็จะไม่มัวเมาในทัพย์ ส, สินน่ารักในโลกคนมัมมรนรีบว่ามันก็เราเดียวตลอดการตลอดสมยัยแต่ร่างกายที่มันมีขึ้นมาแล้วก็บริหารไปการห น, น, น, าาน้าที่ก็เป็นการมรรเทาทุกข์เบญจนาในจิตแล้วก็คิดว่ามันไม่เป็นสาระไม่เป็นเหตุสานมันเป็นร่างกายนํามาเป็นความทุกข์ถ้าเราตัดร่างกายใันได้แล้วความสุขจะตรงนี้ ทำใจอย่าง อ, องสําเร็จพระเชนวสีคือไม่สนใจกสีเหมือนในส ม, มัยที่ อ, องสมเร็จประธมาสามิทันละที่นั่งอยู่ีโคนโพวันนั้นสมเด็จพระวิชิตมารทรงตรงัสทรงดำริว่าถ้าเราจะไม่สําเร็จตุสมมาสัโปทิยานเพียงใดเลือดจะเลือดก็เราจะเกิดแห้งไปกระาำทีเราจะไม่ยอมนิจจากที่นี้ได้ขาด เมื่อมันได้แต่มันตายหมเชียถ้าเกิดอารมณ์ใจมอนได้แต่พระธรรมวินิัยตัดได้อย่างนี้ที่ว่ า, า 5, จิตตัดคันท่าถ้าตัดคันท้าไม่วองยนในขันท่าได้เมื่อไรท่าก็เป็นตาเลี่ยงยางเ็วที่สุดก็เป็นตาหยทาขามีถ้าตัดคันห้าได้เนี่ยยางเลวที่สุดยันยากก็เป็นตาหน้าขามี อารมณแร่ที่สุดก็เป็นพระหันต์จุดสำคันที่เราจะเป็นพาะริยเจ้าไม่อยู่ตรงนี้ที่เดียวสัยญาติประการนี้ก็ตัดตัวเดียวคือจะตายยติที่เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแล้วเมื่อเราเห็นร่างกายมันของเราเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่มี่ขอเราถ้าเราจะไปเกาะร่างกายคนอื่นมันไม่มีแล้ว ฉะนั้นเขาบรรดาสาวกพระองค์เขาเดินสมาแถวเมื่อเวลาที่คันพิจารณากันข้าจนเกิดกลดเกิดอารมณ์ต่างๆสำหรับพ่านิพพุนโนองทิปตอนนั้นไปก็ตั้งใจจับอารมณ์ผลิพานเป็นอารมณ์ว่าเมื่อคันข้ า, ามันจะไหลามาใดเราต้องการไม่ผ่านเหมือนนั้นก็เริ่ามโรณาวัานามัปะัท เวลาที่เราพิจารณาเนี่ยคำบรรลุมลมหายใจเขาออกมาโดยจิตสบายเพราะว่าเวลาภาวนาวันน้ำวัฏฏะตนนี้ปล่อยลมหายใจเสียเอาจิตจับเฉพาะคาว่าน้ำวัฏฏะอย่างเดียวต่ว่าการดาบที่เพิดเอาไว้ที่เหนือเสียงของท่านนั้นเป็นเวรนางโะวสุลิตาสมาสุปัจจาาสีโรมเทวทัตโกโก้เส้นโตโกโกนาคมพระพุทธศตพัฒมนะโคดม แล้วมีหล่อพุทโธมโงโพธิสัตว์ชื่อพระสีอาลัยไมตรแล้วก็ตั้งใจคิดว่าเวมานี้พระพุทเจ้าทัสี่พระองค์นหล่อพุทบรมโงโพธิสัตว์ชือพระสีอาลยไมตรกยทับอยู่เหนือเกงข้าวของเราขอขอบุบารมีขออโเลสสมมาสมพุทธให้จิตใจพราพเจ้าปลอดจากสาจิเลมีความกจสมีกาลังใจเป็นทิ สามารถจะถอรตทิศมานละกายไปที่ใดที and and is, is ่ไหนได้ตามความประสงค์เราต่อเนื่ไปขึ้บรรดาเจตนาสร้างใจให้ตรงกำรองกิตให้มันใช้ทุกจุดเสียบปันดาสร้างใจภาวนาและพิจารณาธรรมะที่ยั่ใส่คำหลุเวลาจะให้เวลาปลดเขาครึ่งสัปโมงเป็นเวลาทำงานหลังจากเรียนสอบถามบรรดาอนสารย์รฏิบัตไดางท่าน เป็นที่ตอบจะได้มโนวิธิแม้นนคนที่มาได้ ส, สอบเขาถามอะไรคนอื่นต้องถือว่าถามท่านด้วยโต้ถามไปก็ถามให้ตอบจิตใจในวันนี้คือตอบเวลาที่ถูกคําถามก็ถามกันตอนนั้นให้ทิ้งำาำสงสารเสียเอาจิตไปจับในจุดที่เขาถามมองวันตี้งวางไหมนะกระโดดสว่างหรือปัจสบวะถ้ า, ถาทาไม่ได้อะไรตั้งเห็นอย่างนั้นไหมเห็นอย่างนี้ไหม ถ้าเราเห็นก็บอกเห็นไม่เห็นก็บอไม่เห็นเท า, าสิ่งนี้เป็นอะไรในคนนั้นแต่งตัวอย่างไรใจแล้วก็แลกตอบไปตามในเวลานี้นเขาบอกให้เ ร, เราเราเรื่องอารมณ์จิตท้งซึ่งคนที่ถูกถามบอกเวลาเราไม่ถนัดเขาแนะนำให้ปลดขันท่าแบบไหนแล้วก็ตั้งใจปลดไปด้วยท่านี้ ม, มาทีคนที่ยังไม่ได้ เพราะหลายท่านหลายส่วนหลายที่ทำได้แล้วก็เป็นริการอุทยาชัยของท่านไม่จำเป็นต้องมาติตามคำแนะนำนั้นถ้าตอนี้ไปสัปดาห์จนปฐมรีสัตทานปฏิบัตบิได้แล้วเรื่องง่ายมได้เรทียวั ตามมาลงต่างความเป็นจริงเนียว่าเงินนิสเดชนกแก้วนิสทองให้พิจารณาทั้นห้าคื อ, อรูเปเวทนาสัญญาสังขารนิญญาณที่เราเรียกว่ากายของเราร่างกายป็นคนและสัตว์ทั้งหมดทั้งเราเขาและผู้อื่นใดทั้งหมดร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสิปลกทายนอกมีหนังกำาร้าหนังกำพรา้าก็สกกัตก ถ้าียงสุขภพภายในเสียงซึมออกมาเป็นเหือใไก่เจ้ของภายนขรรติย่งต้องอาบน้ำชำระร่างกายก็นอยู่เสมอไม่มีอะไรดีท้ายนงกำพราเข้าไปนอกนังกำพร้าเห็นเนื้อก็หมดความสวยงามแก้เนื้อก็มีตัดไตใต้ลอดหารใหม่ให้เต่าจระปัดวัดน้เนื้อจำเหลืองลำหนอน มันจะเต um ็มไความสุกปรกโสโครกหาความสะอาดไม่ไ <studio> ด้การที่เจราอย่างนี้เป็นคารที่นาแบบสัดตามมาฉันทักตัวตัดตารงไข่ในตามมารมเพื่อคุณเราถ้าจะรักกันอยากจะแต่งงานกันก็หาความสุดความสวยสดงาม เพ่าเนื้อแท้จริงๆ ร, ร่างกายมัมีสภาพมันก็ท่วมเคลื่อนทีได้ความจริงแล้วมันเร็วท่วมทีท่วมมันจะสกปรกพอเมื่อคนอื่นเอาความสกปรกถ่ายลงไปแล้วร่างกายของเราเราเองตอนนั้นเป็นพู้เอาของสกปรกใส่ลงไปแต่อันนั้นกาลังใจทีเรายึดติดในร่างกายมันจึงกําลังใจที่เรวที่สุด เพรว่าไม่เลยใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงฉั้นเวลานี้เราพบองสมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราผู้มีสติสม่ยัญญามีปัญญาเพียงแค่พิจารณาห า, หาความเป็นจริงถ้าหากว่าเรา้องกันอย่างนี้พบพระพุทธศาสนาอย่างนี้และปัญญาก็เรายังดีไม่อพอสัญญาถ้าเไม่มีความจํา ก็คิดว่าเราจะต้องเป็นเหี้ยข้อมายาภูมิต่อไปนอกจากว่าร่างกายมายาสกปรกแล้วร่างกายก็ยังเป็นอิจ้าความเที่ยงไม่ได้ความไม่เที่ยงเราเห็นก็นอยู่ทุวนแต่เราไม่ได้ใช้สัญญาความจำไม่ได้ใช้ปัญญ า, าเป็นเครื่องพารคนที่เกิดมาใหม่เป็นเด็ก แล้วก็โตขึ้นมาทีละ น, น้อยแ น, น้อยนี่แสดงถึงความไม่เกี่ยงของร่างกายเมื่อโตจึงนี่สุดทีความเป็นหนุ่มเป็นสาวสร้างกายเปลืองพลังสมบูรณ์แล้วก็ตุศบลงไปถึงวันตอนนี้เมื่อก็เสื่อมลงแค่แลเกเสื่อมขึ้นถ้ทาท่านถึงความมาเป็นคนแก่แล้วในที่สุดเมื่อก็ตายในความเกี่ยงของร่างกาย ถเรายังยึดถือว่าใครเป็นที่พึ่งนของเราคนนั้นจะเป็นทีเพื่อนของเราตลอดชีวิตคนนี้จะเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตชีวิตของเราจะทรงอยู่อย่างนี้ตลอดกาลมันก็เป็นความโง่เกินไปท้่ไม่น่าจะฟองศารควรจะปล่อยให้เย็นวาไปเกิดเป็นว่าต่าฟองศาลต่อไปเมื่อกระการต่อไปนอกจารนิจังแล้วล่างกายก็เป็นความทุกข์ ที่เราต้องทางานกขาทุกวันเพื่อความเป็นอยู่เพราะพะว่าตัวเงว่ามันจะไม่มีกินบ้างความหิวเป็นทุกข์เป็นเหตุที่เกียดจะตายตัวเองของใช้จะมีไม่ม ส, มสม่ำเสมอสมัยของบาง้างก็ต้องไปเกลีย่ตายหาเงินีด่ดอยดมมัน เพราะนอกจากนั้นก็ยังมีการทรุรนทรายแฉการแย่ๆ ท, ที่เป็นทกมีกกรกระทุกระท่านจะอารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างใจเราก็ยังไปยึดถืออารมณ์บระเภทนั้นเขาชมเรายิ้มเขาติเราบึง้งแสดงว่าเราเป็นโง่ทันนี้เพราะอะไรทุกว่าคําชมและคำติไม่มีความหมายที่ความดีและความสั่ว เราไม่เด็ดดีเพราะคำคมของชาวบ้านเราไม่เด็ดเลวเพราวาจาที่ชาวบ้านเขติดเราจะดีและจะเลวที่่ที่ความประพฤติของใจถ้าลงใจเกาะเก่งที่เป็นก็ผลคือความดีสร้างกายมันก็ดีไปด้วยวาจามันก็ดีไปด้วยถ้าใจเขาลรงพบความเลวไว้ภายใน ปฏิจจ์ใจความไม่ตาการณีความรักปฏิจจ์จความโงนมาความสงสารมีารมณ์วิสัยอุกังเลที่เขาดีแล้วก็ทนไม่ไหวแม้เขาไม่ทนไม่ไหวก็หมาความว่าเจ้าจะไม่ชอบใจคนที่เขาดีพว่เรานี่เห็นอารมณ์เลยไม่รู้จักโตเบี้ยท้ายวางเฉยไม่เกตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยจะทนหนา ที่เป็นที่ถูกใจและไม่ถกกใจอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์เร็วของใจเป็นปันใจจัยให้เกิดความทุกข์ที่เราไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณากันเพื่อใส่ความโง่หลักดานมาหลายแสงขับเนี่ยเราก็พยายามทาจัดความโง่ด้วยปัญญาความโง่เป็นเรองสมตัวสมใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีทางเสี่ยงใคร ในงานนี้เราพบศาสนาพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศักดิสราเรารู้ไม่ได้แต่ว่าพระพุทธเจ้ารู้ได้ในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนเราอย่างนี้ถ้าเราย่างงงอีกก็เป็นการสวนแล้วที่จะเป็นเหยื่อความายภูมต่อไปฉะนั้นขอให้ท่านหลายสุยามสัดใจด้วยปัญญาและสุยา วิญญาณจาจำไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าร่างกายเป็นของสุกระกให้จิตมันตั้งมัน่นเห็นจริงๆวก็ร่างกายเราร่างกายเขาข ม, ขขขมันสุกรดกทั้งหมดเพราะว่าม่เป็นของเห็นไม่ยากผุกคนมีขี้มีเยี่ยวมีน้ําเลือดมีน้าเหลวมี น, น้ําหนองมีเสมหะมีน้ําำลายอะไรบ้างล่ะที่มัสฮัด แล้วก็ยังจะจิตใจไปหลงไหลไปายฝันอยากจะล่วงขู่คนนั้นอยากจะแต่งงานคนนี้นี่เป็นอารมณ์ของคนบ้าไม่ใช่อารมณ์ของคนดีบ้าอะไรบ้ากินเลสบ้ากันถามบ้าฟาดทานบ้าเอาสุดสุดละกันเราอยากจะเป็นคนบ้าแล้วก็เราอยากจะเป็นคนดี การแต่งงานอยู่สองสองคู่มันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่ประจัยเกดความสุขชาว บ, บ้านคอยพูดใค้เราเห็นทําไมเราจะไม่ดูดูแล้วทําไมเราจะไม่จําที่เราดูแล้วไม่จําก็เพราะว่าเราไม่คิดมีลมจิตคิดว่าความทุกข์มันเป็นความสุขนี่เพร า, าอาศัยที่บาปทำธรร ม, รมลาโมก ที่เราสร้างไว้ในชาตก่อนแล้วเราก็กอกกันไว้แล้ไม่ยอมไปล่อยฟังเทศฟังคำต่างสอนนำมาจากองค์พระองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าเท่าไรเราก็ไม่มีปัญญาที่จะปล่อยได้ก็ควรแล้วที่เป็นญญาไขกอ็บายภูมต่อไปแล้วก็จากนั้นไปร่างกายนอกมัน จ, จารย์จะเป็นทุก มันก็สลายตัวเปในที่สุดก็ตายในเมื่อร่างกายมันตายใจเราตายโด้เรื่องเปล่ามีเวลานี้เขาทากันได้เยอะแยะแล้วก็ไปสมัยกันได้เขาไปรลมกันได้เขาไปนิพพานกันได้เขาไปนรกกันได้เขาก็ไปพบคนที่ตายเก่าๆแต่เาไปเกิดเป็นเทวดามากไปเจอเป็นพรหมบ้างเปนิพพานบ้าง ไเเบเ ก, กิเป็นม ส, สมรรถร้างเป็นเปลือกสร้างอะไธสุท้ายากสิจิตใจแข็งบ้างเรืคนที่เคเกิดขึ้นอะไรที่ น, ท น, นั่นนั้นก็นาร่างกายเดิมของใบมาเปล่ามันก็เปล่าเมื่อตา ย, ายแล้วร่างกายก็พักผุ้นพักรีดีฉะนั้นองค์สมเด็จพระจิตรีที่สอนแต่กร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวเรา มันเป็นเรือนร่างที่อาัยตัวกล่าวมันเป็นปัจจัยความทุกข์ร่างกายเจอความยากของปัญหาของความพยายามยากและก็ความโง่ของจิตที่ไม่รู้จักคิดหาความเป็นจริงด้วยความจริงนามรากรให้เห็นอยู่ตลอดทุกวินาทีเวลาจิตใจเรานี้ยอมแบกเอาความโง่เข้าไว้ ไ ม, ไม่ไม่เล่นมองดูคว า, า, วามตาดมความเป็นจริงในนี้ของบรรดาเบื้องสัมเนธนะเบสุดแลวบรรดามุบรรชาชายและหญิงงใช้ปัญญาของตนที่คิดนาแบบง่ายๆเพราร่างกายของเราเีมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นเรือนร่างที่เอาสายโซ่เก่า เกิดแล้วก่สมาธิจนตัวแล้วก็ตายในการตายตอนนี้มันตายแต่ตายใจไม่ได้ตายตายแล้วอยากจะเกิดซื้อสัตวนรกไหมเกิดดียาเป็นเศษไหมอยากเกิดเป็นรูปกายไหมอยากเกิดเป็นสตรีฐานไหมถ้าเราอยากเกิอย่างนี้ก็จงอยาเชื่อพราะเขา พระพุทธเจ้าสอนมายังไงก็จงอย่าจาำแบบเราความงุ่รๆไห้เป็นปกติเราก็มีโอกาสจะได้เกิดในสัตว์แม่ไบโคูมสิ่ปรเภทนี้ได้ตามอธิยาไยถ้าเราไม่ต้องการเกิดในไบโอคูลถ้าต้องการเกิดที่ไหนี่อยาจะมีความปกตีก็ามาเกิดเป็นมนุษย์ มีศินค้าบริสุทธ์แีะมีสมบัติสส บ, บริสุทธิ์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ให้ทรงความทุกข์ได้ตามสบายทอดใจไหมถ้าชอบใจอย่างนี้ก็มไม่ต้องปฏิบัติธรรมฐานให้มั น, นมเปลี่ยงเวลา็บานเขาเล่นเลยว่าต้องกายเกิดเป็นเทวดาด้วยกควจมได้ไหมว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเทวดาคนดีคงคนดี เมื่อหมดผลไม่ชนะบารมีแล้วก็ต้องสติสติแล้วกนเลยลงนกไปบ้างเกิดเป็นเบลบ้างแปลสุรกายบ้างเป็นปฏิเฐานบ้างก็มาเป็นมนุษย์ส่แสนญาติาติถิ่นทีทางนี้เพรอาบุบารมีเดิมส่งผลอกุศลไม่ยอมไม่หมดมันเกดขึ้ไม่สในบาเยกบ เพราะว่าถ้าแมจะมาเกิดเป็นมนุษย์เก็ยังมีลำพายลำบาศอย่างนี้เราปอใจไหมถ้าปอใจยอย่างนี้ก็จงอย่ามาเจริญกรรมฐานให้มันรกไปพุทธศาสนาด้่สิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการก็คือให้เราไปสู่พระนิพพานอารมณ์ที่เราจะไปช่องใจสู่พระนิพพานนี่มันไม่ต้องรอตาย ทำใจให้มัน <intent>? ผูกอ so ันดะแรกที่จะนาให้ชัดร่างกายนี่มันเปนกรบอกร่างกายนี่เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายมันเส้นกับไปหาวามตายในที่สุดก็ตายความกังวห่วงใยใดใดในลูกในหลานในโขนในเมียในจีในนอนในทัดในีลไม่มีสำหรับเรา แต่ถ้าอยู่ด้วยกันเราก็ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ดีที่สุดแต่เราก็คิดว่าเวลานี้ส่วมมันอยู่กับส่วมทีไม่อยู่กีบผีสิงโสโครอกมันอยู่กับสิ่งโสงโครกจะที่หน้าอะไรวะไออะไรเกียเราไม่ควรปฎถนหาการอย่างนี้ต่อไปร่างกายที่เต็มไปด้วยความเมื่อคือเป็นโรคในทางมันเป็นรังของโรค ฟังคุ้นนังใครก็ป่วยเน่าไปนะที่สุดช้ความดีไม่ได้เพราะฉะนั้นร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราต่อหนี่ไปเมื่อสิ้นลมพานแล้วเราจะไม่มีร่างกายอย่างนี้ต่อไปทําอารมณ์ใจจับผนิพานเป็นอารมณ์นี่ที่จะนามแบบนี้ก็ได้แบบใดก็ได้ให้มันเห็นว่าร่างกายนี้เราไม่ต้องัำ มาอาจจะท้าว่าไม่มีจิตบอกว่ายัางไงใจเราก็มั่นใจว่าสิ่งนั้นเปอย่างนั้นเพราะไม่จิตในสมาธิเรามันก็เป็นจิวยขอให้ทุกคนตั้งใจว่าอย่างนี้เพราะความจริงสมัยก่อนเขาแค่สอนแต่เน้นันพเราจำที่จันทร์ไทยัท้งครูทั้งผาทั้งฐานนังก็ยังไม่รู้สึกเลย มเรื war, ่องรุสิกวจนะบางแค่หนังหนังขุยเหล็กปัญหาจัดองสมเด็จพระกอสวัสดิ์ทศายงมีสมัหาุาคนให้สอนอยูถ้าองสมเด็จพระบรมงตัดว่าเลิกเถอะขาจะเลิกเหมือนั้นพอต่อไปนี้ไปขอมันดาทัศน์บริษัทอุ้งพันธพยายามแต่งกาให้จดกิมั ยพยายามจะปณากันท่าตักคันท่าให้เด็กขาดเราจะระงับรูดลมให้ใจเศร้าใจออกภาวนาว่านามบัตทะให้จิตสงบตัวเพื่อให้เวลาปลดเครื่อโมถ้าต่อคอยนั้นก็มีทายสถานออไปออกไปอคอยทิตทันตั้งใจรงรการตัดคันท่า เม่อเขาพูดตัมาตัววันคุณไม่จําเป็นต้องพูดมากให้รู้จักตัวรูปเป็นทุกข์ใเป็นหาสัญญาสังขารนิยานเป็นทุกข์รูปเป็นของไม่เที่ยงที่พิรูปแล้วก็เป็นทุกข์ก็รูปไม่ไุ้พูดเพราะตัวแว่นตาสลายตัวที่จริงนาว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีเรา อันละรสัพเพนนาการเกิดเป็นคนรรมาใจะม่พากษ์ตุกตกโปรใครเห็นว่าร่างกายสุกโปรตรเสียงที่ไม่นาคุ้มตานี้จัดว่าเป็นพระพนาธรมมรรคแต่ลร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นไม่มันไม่เป็นสาระไม่เป็นที่ซื่อผลลิตาสลายไปเป็นที่สุ เราใช้จิตก็เราไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นข้อเราต่อไปเพราะถ้าเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีประโยชน์เกิดมันแล้วสี่แสนชาติก็มีความเกิดความแก่ความเผล่ความต า, า, ายการทักทาจะของรักของคอบใจถ้าเรายังยึดถือร่างกายต่อไปมันก็จะต้องเกิดเป็นอีก เกิดก e ันอีกก็ทุกคนอีกถ้าเราไม่ปล่ยพอใจเพื่อตั์ร่างกายเสียหมายความว่าเป็นเมื่อร่างกายสุกภพเป็นร่างกายไม่เที่ยงการยึด่ทิร่างกายเป็นภพไม่ที่สุกร่างกายตองทางในเมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ปรารถนามันต่อไปที่ว่าชาตินี้เป็นภาติสุดท้ายในาจเกิด ร่างกายของเราจะดีมันสุขประกอบร่างกายคนอื่นก็ดีมัก็สประกวัตถุธาตต่างๆก็ดีมันก็สุขประกบเห็นเลสประกอบโดยจิตไม่เคยความรักในร่างกายของเราไม่รักในร่างกายของคนอื่นไม่ไม่ยึดถือวัตถาใดๆว่าเป็นตารปนในยานเ้่าน การนที่สรดตในเทีย่ยงมันมีทุกมันมีการสุขโทมันมีการตายเราก็ไม่พูดสาห่าความวกระทำกระทำของคนอื่นที่พูดไปถูกใจทำไ ม, จจม ไ, จททไม่ถูกใจให้อภัยคือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกสนต์ิโลเกนิโตคือว่าคนที่ไม่โกรกใจเลยไม่มีในโลกความโกรกใจกระทำดังสนิทนไม่มีความหมายถนัดใจของเรา เตัวเขาเน้นทาว่าเราชั่วถ้าเราดีมันก็ไม่ตัวถ้าเขาเสนอว่าเราดีก็าเราชั่วมันก็ไม่ดีไปตามคำเขาพวกเราจะดีหรือจะชั่วโยนที่ต้องมีหานสี่ถ้าจิตใจของเรามีความยานสีน่มีความรักในระว่างคนรู้จักมีเฉพาเสมอกันไม่เป็นสติวกันจิตใจเราไม่เป็นสติวกับเขา แต่เขาอยากจะเป็นตัวตัเราเป็นเรื่องของเขาแล้วก็เป็นการดีสอจิตใจน้อมในความไม่ภาการดีปัจจัสองสัตว์ก็จะตกแต่การดีสาอารมณ์ไม่ใช่สิยาสเงี้ยใครได้ดีคอยินด ir Sh ีด้วยประกอบไปดความไม่ภากรุาทั้สองนั่งกายควบคู่กันไปแต่การดี่ีอะไรที่ใครก็ทาขึ้นไม่ถูกใจอารมณ์บาเย รวงความว่าเราไม่โกรธคนที่ทาความเสื่วมให้อภัยคนทาความชั่ ว, วมถ้าสองปรการนี้ประจันจิตหรือร่างกายเราก็น่าเกียดเป็นร่างกายสบายก็นา่าเกียดไม่อยากจะเรื่อนเละไม่อยากอยู่สองสองคู่เปามีพัญญากันเอาเครื่อนต่อเครื่องเข้ากระทักันไม่เกิดปะยชน์อะไร แล้วก็ไม่จิตใจไว้ปวกท่าดายๆทั้งหมดเพื่อจะอาจเป็นตกระโปรกเพรจิตใจเป็นมีลมมีหายใจมีเลือดขาวาเฉยเมื esse, hmm. ่อปวาก็เสยผูกพงก็เสยแต่การเราสองอาการนี้มีในจิตเพียงแต่ว่าเป็นพระอนาคามีถ้าจิตเราตัดไปได้ที่ตัดที่สุดในสมายความว่า ร่างกายของเราไม่จะตั้คุมมันได้ร่างกายของเราร่างกายเขาวัดผู้ท้าทาันหลายนีย่ไม่ร่างกายของเราทำเราก็ไม่มีสิทธิปกครองต่อไปถ้าจิตใจที่หลายไม่มีความห่วงใยในร่างกายไม่มีความโรงวลในทรัพย์สินไม่มีความกังวลในบุคคลอื่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธารมดา ไม ЕН ่ทายาตายใจไม่สะเทือนคือไม่มีความเสียใจไม่มีความเสียดายแต่ปลดใจว่าชีวิตนี้มันต้องเรียนความจริงเสียส่วนคือชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแตความตายเป็นขอเที่ยงแต่วันลึกถึงตัวเราเสมอว่าแต่วันหนึ่งขณะเราได้ต้องตายแบบนี้แต่เมื่อร่างกายตายแล้วส่งตัว่าเป็นตายสุดท้ายสิ่งจิตวิญญาณนี้ไม่มีสำหรับเรา ทำจิตถ้ามันเป็นเอตัสตารุตั้งไว้โดยเฉพาะตัวขันห้าเป็นภัยใหญ่ของพเราที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ามันมันมีสี่มันคือกิเลสเมันขันธ์มันเทวุตุมันนัตตุมันแต่มันที่มีความสำคัญที่สุดก็คือขันห้าที่ได้ตัวขันธ์สมั ขันธ์ทมานี่มันหมายความไอ้ขันเนี่ยมันทาลายความดีของเราเราตั้งใจจะปฏิบัติความดีแต่บางทีมันก็ปวดน่นล้วก็เจ็บนี่เพราะเราเมื่อยตรนั้นปวดตรงนี้ต้งรู้ว่าถ้าเราไม่มีขันธ์แล้วมันจะปวดไหมถ้าขันธ้าเราไม่มีมันจะปวดทำไมปวดมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยมีนที่ขันธ์ผ้าความรือตามสหายเสริมซึ่งก็ข้อาันธ้า ความรวยใครมาสบายเกิดสรีก yeah, ็ขันท่าความแก่จะมีก็มันได้ก็เพราะว่าขันท่าความรู้สศรษฐีพัฒนาจะขอและขอเข้าใจเพราขันท่าความตายที่แท้ปวดก็ขันท่าถ้าเราไม่มีขันท่าแล้วเสื่อมทลายแล้วนี้มันจะมีไหมมันก็ไม่มีถ้ารู้จิตนะเลื่อขันท่ามันเป็นโทษอย่างนี้เราจะสนใจของมันไม่อยากจะตายก็เสื่อตาย มันอยากจะแสกก็เติมแตกมันอยากจะป่วยก็เติมป่วยเป็นไปเรื่อยมนเราไม่สนใจในมันคิดว่าเวลานี้เราอยู่ก็ทราบกบคิดว่ากำลังอยู่ในขั้วทำให้เราเสือมจิตที่เข้ามาเสื่อจิตอยู่ในร่างกายกายกายภายในไม่เปลี่ยนเราเพิ่มเติที่มันเติมไปดความสุขสงบที่เป็นอย่างรีบไ้อว่าติก่อนเราโง่ เราก็ตัะหาคือความจริยญาตอยากรักในรุ่งรวยอยากตรวยในทรัพย์สินอยากเป็นสมุนล่าวาสนามบรมีสามารถมีอิทธิพลเหนือบุคนอื่นใดแต่ยากจะฆ่าคนนู้นยากจะตีคนนี้เฉันโง่คิดว่าตัวเรนนี่จะไม่ตายเราจึงเคยให้ปัญหามาสอนอย่างนี้เวลานี่ เราคิว่าเราก็ขับสคลื่อนอำนาจขอ ง, งอขตัณหาซึ่งที่เราความอยากในรูปสวยไม่มีสําหรับเรารูปสวยตัวคนรูป ส, สัตว์ตัวผู้ก็ไม่เหมาะมันไม่สวยเจียงไปเราไปไม่ได้แล้วก็มันไม่สวยจริง น, นานๆไปมันมีแต่ความทุกขโศกเราไม่อยากรวยคนรวยตายจากเรไปไม่ไ ด, ด้เราไม่อยากเสี่ เท่าไรเขาก็ตายเหมือนกันค่าเขาตายได้แต่เขาไม่ฆ่าเราไม่ฆ่าเราเขาตายหมดจะอยู่สายดันัน้นว่าเป่งชื่อว่าโลกธรรมตั้งแต่เกิการความมีลาภความเสียมลาภความมียศควา ม, มเสียมยศความมีสุขในทุกเรือเเ่องโลกที่อาศัยมี่าตุสรเสริญยกไปขัดใจั้งตนล้อมใจกับวิหารอวโลกเดชทุกส่วนคือทุกเจตจัรยร ท่านเป็นเกษตรที่นาดแย้งเยาวเสมอเสนาราชสมบัติองค์กรก็คอเป็นสมบัติหลวงสุขุมันลึกอาจจะเป็นหลานไม่เกี่ยงเจตีใหญ่อง์สมเด็จพระจอมไตรปิฎกมาสาธยายองค์บูก็อะไรเพราะเราเป็นเกษตรเราตายเป็นเกษตรเราปวยหลงไหลไปฝันในเป็นงทันหลายเร่องนี้เราก็จะมีแต่ความทุกข์ ปันหาความสุขคนได้แต่แหาโมออกตธรรมจะทำเป็นเรื่องคนเด็ดความตายทำเป็นเรื่องคนเด็ดความตายที่ออนสาเร็จ ไ, ไปจอมใจทร ง, ง, งุรงบในตัวคืนเลยเก่งเลยสดราองสมาชิันใหม่สามีปรชนายายก็ได้จะรู้จักทุกคันว่าเป็นทุกทุกก็อะไรทุกทก็ตัญหา ต้องจัดปัญหาเรื่องรน้าสีสมาธิปัญญาไม่พราะหญ่เนี่ยโกปัญญาเห็นสภาพทางความเป็นจริงเพราะ อ, อันดับแรกอะไรก็คมัเป็นของจริงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงแคาตายแล้วร่างกายจะได้ไหมเอาไปไม่ได้เอาหัวเอาเมียลูกกัเจ้าไม่ได้แล้วเปล่ามันก็ออกไปไม่ได้ เอาทรัพยสอะไรไปได้ไหมมันก็เอาไปไม่ได้แล้ก็มานั่งห่วงมนทําไมใจก็เราสร้างไว้โดยเฉพาะอย่างเดียวในสื่อปัญญาที่ดูว่าสรรพาที่เป็นไปิการประกอที่ไม่มีความเที่ยงมันมีความเกิดขึ้นแล้วมีความแกรเป็นธรรมดาไม่สามารถจะโรลดลงความแกรไปได้ มีความป่วยใข่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงขับพ้นความป่ยไข่ไปได้มีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความตายไม่ได้เราจะต้องพัดไส้เจาของรักขอเ้าใจเป็นธรรมดาไม่ร่วงก้นไม่ได้มีกรรมเป็นของตนถ้ากรรมคือการกรมทำในอารมใจคือคิดโดยใจมือปูดโดยปากให้ทำโดยใจก็เรียกวกัน คิดโดยใจเพื่อมนุกันมคู่เด็ดป่าเพืกอจีการทำโดยกายเรียกวกายกรรมกรรที่สําคัญที่สุดคือเพื่อมนุกรรมคิตใจของเราคิดยังไงตัดสันใจมันทิงไปในเมื่อมันรามีสภาพไม่ดีอย่างนี้จะเข้าพารสมาคมมันก็ประโยชน์อะไรยกยอดไปเสียที่มันไปหมด เวลานี้เราคุมคันห้าเป็นทุกข์ให้เราต้องกินเราต้องนอนเราต้องปวดเราต้องเมือ่อยเราต้องไม่สบายไม่มีอะไรที่เป็นปัใจจัยให้เกิดความสุขจากคันห้าให้เห็นความว่าเราไม่คบคันห้าเป็นสําคัญกายใจนี้เลิกกันคันห้าของเราคันห้าของคนอื่นวัตถุท่าทั้งหมด ไม่มีในจิตของเราเวลานี้เราไม่จะเกาะอย่างเยงื่อคือพณิภยัยธ์ถหลังจากนั้นก็ทุกคนตั้งใจกำหนดรู้ลงมหาใจเขา อ, ออกให้คำภาวนาว่านัมประทะเฉพาะท่านิสุตวิญญาจะให้เวลาตลอดจต่เคลื่อนโมูกล้าจากใั้นก็จะสอบถามพระวันนี้เรื่อของพระ แต่ก็จะลืมนะอย่าจอดเท้ายืนองกององตอนนั้นแล้วก็ให้ทุกองแล้วก็ทุกคนที่รับเปล่าตั้งจิตไปกามนั้นจะให้ไปต้องนอาไล่เรี่ยแล้วทุกคนแล้วมันก็เกินก็ดีไปแล้วพอเสียงก็ไม่ได้ตัดจิตถ้าโคตรจะองไหนถือว่าโคตรกับเราแต่ก็ให้รงแบบไหนเรารงแบบนั้น เขาถามเวลานี้เสียงไหนจิตเราฟ่้งไปตรงน้าทื่อารมณ์จิตจิตก็าอาจจะคิดแตกตามไป้างจากคนอื่นสมมติว่าเ้าเห็นเทวดาเขามุ่ลผ้าอะไรคนไในเขาตอบว่าผาเขียวใจเราบอกว่าข้าเหลืองเขาก็ถูกเพราะว่าเวดาดพราะว่าเขากติดใท่านเป็นท่านจะแสดงสีตัางอสัยาสายแต่วเวลาก็สั่ให้รออะไรองเดียว ทุกองแนละทท่านที่ไหนนี่นตรงกันนั้นทำอย่างนี้มันก็เป็นของไม่ยากเมื่อผมปฏิบัติกันมาไม่ได้มีอย่างนี้ต้องช่วยตัวเองทุกอยาก่างเพราะนแล้วก็สําหรับท่านที่ปฏิบัติไปได้แล้วเมืเวลาที่จะโปรงกันห้าพันาการุิติารมณ์ของตัวให้เที่ยวไปตามลําดับตามที่ท่านจะเดินไปได้ให้มีความขึ้นใจ เราจะลืมคำว่ามีอะไรไม่แก่งไรค่อยสัตวขั้นห้าเดียวนั้นและขอบารมีเขาก็ปฏิจ้าวิ้งขึ้นบนบรารมีที่เราสร้างมาแต่หากว่าทุกคนคิดว่าเป็นโลูกใหม่สีเป็นหลานท่นานปู้ท่นานญาติขอบารมีใหม่สีท่านปู้ท่านญาติเพื่อให้เกิดความแก่ใสเพียงเท่านี้จะสลายก็ยื่อมีการคล้องตัวการฝึกอวิญญาต้องทําได้เป็นปกติ อารมณ์ใดที่เราทำได้แล้วก็รักษาอารมณ์นั้นไว้จะมีความประมาทจงอย่าอดดีอดดีไม่ไหวอย่าอดเร็วคนเร็วชื่อว่าฉันได้แล้วฉันเก่นแล้วไม่ท่ากับมนุษย์ถ้ามีเพราะอะไรถ้ามีตัวถ้าใจประมาทอุปาทานก็เกิดทุกเสี่งทุกอย่างจงอย่าหาความรู้ได้ตนเองถ้ามีอะไรสงสัยสมาธิเอาไปกุฎิเจ้าเป็นที่ส่ด ถาลงาเจ้าตรถ้าทำอย่างนี้ก็อย่างอย่างนี้ความดีจะไม่เสี่ยมเวลาต่อจะมีไคพอที่ท่านสร้างค่ายให้ตรงตั้งวงกิจมช่ไหมกำหลดรู้ลมใจสรอใจออกใช้ทำภาวนาละจิตเวลากรรมปิยาไซจงคว่าจะถึงเวลาบอกให้เลิ เขามาหันรร่นทำกิเลสที่สริกินแล้วจะช่าลายให้ที่นารร่าใจตอนนี้จี่เรียกว่าอธิปัญญามองดูคนได้ฌานคนผู้หลงอยูย่ในฌานเรื่องท่านยศรงนั่นอยู่ในฐานะอานาคามีก็ยังไม่มีความดีจริงๆยังไม่มีความสักจริงๆเพราะว่าจะมีความมุ่นวายอยู่ในมานะคือการถือโตัวชี้ตน ยังมีความมุ่นวายในอุปจกากรเสือมโยนแทรกแทรกซ้อนเมื่อลมสั้นไม่เท่าจุดหมายไปทางยังไม่เมื่อลมสงบยังมีวิชาคือความโง่ยองหลงเหลืออยู่ที่ยังติดอยู่ในรูปฌานและรูปฌานในมานะและอุปจักรดันั้นในฐานะที่เรามีความต้องการความสุขที่สุขในฐานะที่จิตเราเป็นจิตเคลื่อด ที่ทรงเทวานุสติเป็นอารมณ์เทวานุสสตินี่พระนิว่านึกถึงอารมณ์ปเสริฐเขาเน้นพิ้ความคุณธรรมที่ทําบุคคลให้มีความประเสริฐเป็นอันว่าท่านพูในใดใช้สมาธิในก่องนี้อารณามณ์ก็ท่านไม่มีชั่วมีตดีเป็นที่สุดแล้วก็เป็นอารหัง่ายแล้วก็มานั่งมองเพราะการถือถ่อตัวทคลื่อนตนมันดีแล้วมันเร็ว ถ้ามองไปจรงคือว่าการถือตัวถตัวนี้เลยริงเพราะอะไรเราจะนั่งถือกันทำไมผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีคนแก่ก็ดีรู้ว่าสักว์เลี้ยงถ่าก็ดีฐานะสูงก็ดีฐานะต่ำก็ดีความรู้มากก็ดีความรู้น้อยก็ดี เมื่อไม่ได้กุณสงกนดีไม่ได้กุลต่างคนดีก็ไอสภาพของเกิดแก่เจ็บตายมีสภาพร่างกายสรลดๆมีความเกิดมาขึ้นมาในเมื่อตนร่างกายเสื่อมไปในท่ามกลางกลางก็สลายตัวภาในที่สดเม่ไหร่เมื่อวันนั่งระางเจ็บอะไรร่างกายแรงต่อแรงที่จะไม่สราศตนเองการรู้สึกมันจะเร็วเกินไป เป็นรนามราษฎของใครแต่ของใครก็ตามท่านมีสภาวะเช่นเดียวกันคนรวยก็ตายคนมีทรัพยสินใหญ่ก็ตายคนระดูสูงก็ตายตรกูลต่ำก็ตายมีความรู้น้อยก็ตาย ม, มีความรู้มากก็ตายเพราะการะกประกอบสมมตมไม่เหมนอารมณ์ไม่ทรงตัวไม่เหมือนทำไมที่ต้อรังเกียจกันเอตัดสินใจง่ายๆแบบนี้แล้วก็มาอุตจารอารมณ์ที่มีอารมณ์พงสาย แก็ตอนนี้ไม่มีอะไรมากเต่เรียง ว, ว่าเมารุมยับยังไม่ตอนหนึ่งเพราะเวลานี้เราทรงความเป็นพระอนาคามีก็มีความสุขที่เราหนึ่งเรามีศีลบริสุทธิ์เราไม่แปร ม, มัยขมสอเราไม่มีความไม่กันทะความวุ่นวายของอารมณ์ไม่มีสามเราไม่มีปฏิทะอารมณ์ที่ท้าสร้างความท้ามองเพราอารมณ์อื่นกํำลังกระทบไม่มี ตอนนี้เราสึกมีความสัสะและก็เราตายจากความเป็นคนไปเป็นจิวันดาหรือครเราก็้าพนิชานถ้าเราจิตชาดมานชานนดนิดเดียวเนี้แต่กายังไม่ดีมันยังไม่ถึงที่สุในเมื่อชีวิตของเรายังทรงตัวอยู่ต้องตัดความดีเขียงที่สุดนั่นก็คือทงอารมณ์เฉพาะพันิชานเป็นอารมณ์ถ้าอารมณ์ปรางของเรายังมีอยู่เราจะเป็นละ ธรรมะข้อองค์สําเร็จพระบรมโคตรที่สอนไว้ว่าความสุขที่สุดโองเรานั้นใจแน่นก็คือมีอารมณ์เข้าถึงผลิผ่านไม่เกิดเป็นอารหาันต์แต่ถ้ว่าอารมณ์พุ้งซ่านเท่า น, นี้รังงับง่ายง่ายถ้าตัดสินกาลังใจว่าแค่นี้จะเกิดเพื่อทำไมโยนทิ้งไปซะดีกว่าที่เลยาที่กล่าวมามันใหญ่โตมากกว่านี้แลว้วก็สามารถจะตัดได้ ไหนไหนเราจะต้องตายแล้วเมื่อตายแล้วให้มันมีความสกขจริงๆจะไปพักอยู่ที่เชาวันดาเขาไม่ได้มีประโยชน์พักอยู่ที่ฟมมันก็ไม่มีประโยชน์ทั้งนี้ก็อะไรเพราะว่าเมื่อไปแล้วก็ไปให้มันถึงที่สุดไม่ต้องมีาจงานอะไรต่อไปถ้ามีใจเท่านี้ไม่นหมดต่ไปโอสมเด็จพระบรมโกศวัตรอีิชาาแต่ความเจียนสัตอวิชาตัวเดียวพอ เถ้าไปตัดจะได้เจอว่าร่างกายมันเป็นทุกข์เกิดเป็นคนเป็นทุกข์เกิดเป็นสมรชาดนาพักทุกข์โชคราวไม่เลยมีประโยชน์ถึงแม้ว่ามันใจไม่มีโทษเข้าถึงมามา ว, วิามายากุมก็จะไม่เสด็จจิต ท, ที่ดีที่สุดแม่ง ก, ก็คืเข้าถึงพรนิพพานคนที่จะเข้าถึงพรนิพพานเขาทำยังไง ไั่ก็คืออารมณ์ใจของเขาและความพอใจในการเป็นมนุษย์เป็นธรรมดาเลยครับมีความนิยมจะกพระพันิยานเยอะและจิตมีความประกอบในความไม่ปราณีมีความเย่อหยินไม่สนใจอารมณ์ทหลายที่เป็นปัจจของความสุขความทุกข์ยอมนับนับเพื่อทสลองธรรมดา ยิม้มให้แก่การที่เข้ามาสนองที่เป็นปัจจัยให้ความหวั่นไหวทางกายเสื้อโรคภัยไข้เจ็บก็ดีความป่วยไข้มาสบายก็ดีความแก่ก็ดีความตายก็ดีจะมาถึเรื่านี้เมื่อไรยิ้มได้เป็นปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจนท่าจิตใจพวกเราไม่มีอรมณ์เจตโหยดในความมันทะมีความสุขไปอารมณ์ไม่จิตในความมรรคมีความสุขอย่างยิ่ง อารมณ์ไม่ติดใจในความโกรธมีความอันสาทนมัยอารมณ์ไม่มีขั้นไลกาะอะไรทั้งหมดแม้จะขันห้าของเราจิตใจเรามีความต้องการอย่างเดียวสนิทมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันมีแต่ความแหลกลานจนหกดสิไม่ท่ามันจะเป็นปุ๋ยขงไปเป็นป่านตายแค่นี้ใจสบายมันน่าจะพุทธบริสัทธ์ลายระดับเทวตานุสติกำรฐานท้อโพทย่อที่สุด ก็ถือว่าเป็นอารมณ์ที่สูงสุดในรุสติอันนึ่ซึ่งบุคคลใดมีความนิยมในเทวตารุสิกรรมฐานนิชัผมคิดว่าถ้าเราจะพยายรว่าท่านผูนัน้นควรจะเป็นทรโสดาสิธาทานาคาในพระชาติปัจจุบันนี้รูส้สติควรจะตามเกินไปเพราะว่ากําลังใจของท่านมีพอยใจในเทวตานุสติกรมถานนั้ใในเป็นอารมณ์ของสารรหัส เอาละสำหรับวันนี้เห็นว่าเวลาหมดแล้วขอข อ, อยุติวิจกียนี้ต่อเนี้ไปขอทุกท่านฝั่างคาให้ตรงระงกิตให้มันสำหนดหนู่นลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามัธยาศัยและจะเลือกก็ไรก็ได้ตามที่ท่านเห็นว่าสมควรสอดรีบ